แล้วขรพอทุกอย่ากประการที่แก้ในสองวินาเดียวนั่นคือนั่ไปไถึงสอสามปีจะมีความึกปวดในขาที่สารับเลยแล้วมันก็เป็นอย่างนี้เองต้องกจะเรียามุทข้อว่าการกำหนดจิตให้ปวดการกำหนดีิให้ยืนาเพื่อจะได้นั่งนานสมุทรพ่อจะทำอย่างไรขอรับแต่ในเวลาเดียืงขึ้นนือง ทุกหมู่ละอ๋อนี่เยหนึ่งคือเม่ออาหยเลยตายไม่เกิดไม่เกิดเลยไป่ายกตายแหลใช่ใ่ถ้ามีสมันก็คือเป็นสมาชาณเพื่อคี่เกิดมาเป็นทุกอย่างนี้ก็เว็นิสมถะจะอยากทำตามทุกอย่างนี้ไม่จริงไม่จริงการเล่นทุกอย่างถ้าเกิดมาจะเป็นเกิดนายาเพื่อ คำ่ายเป็สอย่างนะไอ้นี่ได้ร่ายคำ่อย่างเดียวม่ใช่เป็นยามาเทยมันเม้ามั่งมันเม่อแลก็ลุกขึ้นยืนยืนเม้อก็เดินเดินเดินเม้อกันอนนอนเม้อกันั่งนั่งเม้อก็เดินนั่งนั่งได้อดไม่ดีก็นั่งอะรอนก็ได้เออนั่งมันต่อได้ยังได้เลยนั่งยอดไม้ก็ได้ใช่ที่ไหนก็ได้ไ่ต้องคิดใจ คือที่ใจเขาย่างกาส่ายกันแล้วกัน้าลงว่าเป็นพระญาใจมไม่ไหวก็อคท่านปรรถนาอยากด้วยถึงะปใช่ใช่ใ่โยมจำเปาปเท้าพระเดชพระคุณหลตรดกจามสูงพระิษย์ไม่าเลยลงอหลวพ่ะทำารุพ่อพระศิษยมานานแล้วไม่เฉลยลเลย วันนี้ก็เ็นเอออไมลงแต่จะขอเป็นว่าอ่ามีคนรายชื่อให้ดนทราอนิงี่รัขอเมเัสองทุย่งมีมีคนไม่สนใจมีขอคลียรให้หมดเลยรั้นดยรางคนงขอขึ้นนีไม่เกิออไแลไม่ลบายนใจใ อันี้ให้ดีแค่ก็เลยนะอ่าถ้าเกิดเขาเป็นปัญหาก็นี่ก็องทีให้โลกไม่ไเกิ้นยจะให้ล่อยนะก็งช่วยใยด้านเดือนคงที่ว่าพ่อเขาพยายามแบงโรกที่มีอยู่าเป็รคต่างๆหลายมีาทีหมาย่ึงยมีเะลยนะถามหมอีกกว่าแต่ก็ไม่ได้ถามพอีไม่ถาม แม่จุดบารมีขอร้องแต่จะขอคําแนะนํนาตอนที่เวทนาโผนโลกอะไรนับคุณแม่ฝายสมอนเป็นือดเป็นไฟเลี้ยงเดือยเลี้ยงเดอหจุดเวดาเดจนดจุดดจุดจุดจนดจุดจดจุดจุดจุดจจด เพื่อดในเวลาเวลากดึอาจจะไปต่อสู้เพลิงไหม้ใช่ไหมจนต้องซุกตอนในเวลาจะมาเรื่องกายเกิดแต่เิดตายร่างกายเดนไมาหนึ่งไม่เพียงทังทุกข์ทั้งนทุกข์ไปแลตาตายเป็นเรื่องธรรมดาที่ร่างกายก็เป็นอย่างนี้แต่ถ้าเาตายพาดทีแล้วเ้าไม่เกิดใหม่เพราไปมีการชาติเดียวแบบนี้ตับใจเลย แค่ร่างกายมีเครื่องร่างกายเคื่อนัล้นมเยอะอภิพานแน่ไปเลยม่ต้อไปเอาไว้่าหมาไม่เป็นไรคนมีไข้คนมาทำไหนไม่รู้อะไรท้ายวันก็ไปไก็จะมีกระบ่อภานอิธาม่ไินมัน่้นนไม่าพ่ยันตายเลยต่เียต่เนยอมว่าที่ตามตัวพ่อว่ากันนะ อาการแล้วก็คือจับ่ารดูแลลูปฝันสองตอนฝันตอนแม่แม่และพี่สาวของลูกไปด่าหลวงพ่อเป็นการใหญ่โดยใจไปฝันนะครับพกฝันแล้วแม่และพ่อของคลตบดจคุยจังมากอยาจะมาขอพมาลาโค้ชหลวงพ่อไปหลวงพ่อจะด่าปะ เป็ของตัาตั้งแต่แรก่าเราจะบอกได้เไปอีกทานอ่ะจำเล่าให้ดเลยมเือเไม่มีอะไรนะบไม่มีไม่จะเป็นแต่ธนาคารก็ไม่ไปกระต่ายสุตอนนั้นตอนที่ดีไมไปตอนกรด่าไปแต่ยังไหไปต่อไม่ใช่มอไปไปเขบอกอาได้ร่อไปตอนนั้นอ้พ่อไปให้ก็หา ม่ก็ีการเติมไม่เติมนะไม่มีการเติมเติมแล้วก็ต้องจ่ายไปเงินจ่ายจ่ายเลยอ่ะจ่ายเลยจ่าเลยคิดคิแล้่ายเท่าไรเงินเงินเดือนเดือนเดืนก็จะ่ายแล้วก็มีคุณไม่ได้ อันนีคือีกตอนก็อีกวาหลายเตืนมหลายวัตอตอนนี้ไม่ดีนะี่หวงพ่อตายเออข้องโหยร้องไนการใหเพราะว่าในโลกในในในชีวิตมนุยนี้ใครจะไปที่ึุแล้วลวกเยาให้อตายแบบไม่หวั่นเลยขอหลวงพไปอู่าแางการเข้าของลกฝาดีเยอะๆแต่ตายไปแล้วเออทีนานะแต่ก็ไม่ได้ตายก็ไม่ถึงเลย แต่จิตฉันไม่ตายจะแต่ใจแต่ใจแต่จิตฉันไม่ตายก็ถูกอล้วคนที่เึงนไข้ตัวอยู่ข้าพันไม่ตายมันหายจากเลยมาเยอะแยขฉันทานข้าวได้แค่สามวันแต่ไม่มากการตวทีสารเยอะแยะมามันจะตายจริงไข้เข้สารเข้า็เยอะแล้วจนวันใช่ถ้าได้มาหนังพูดแบบนี้ ไม่ยช่ไม่ใช่เราขาดุเต็งยานเนาะไม่ใช่เตงแล้วแล้วก็ไดแต่ไดไหลสาเตี้ยก็ได้มาเนะนี่มันมีอะไรกอนกิก็แปลขาอกแปลกันที่็นการกินกินได้เขา่ได้แต่ารลหได้อ่อกหลายตันสามตันแต่มันแค่เน่ยกินแล้วมันไม่กินแล้วมนเบองมันัน ก็่ได้มือด้่ได้ม่นด้่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ่ได้ไม่ได้ไ่ได้ไม่ได้ไม่ไอ้ไม่ม่ได้ไม่ไ้ได้ไก่ได้ม่ได้ม่ได้ม่้ไม่ได่่่่้่ไม่ดมด่ ตอนนั้นว <c los ica> ่าดีจ้าไม่ยื่นหายไปไหนไปแล้วไม่ยื่นไม่ได้ดีทำไปได้ถือว่าดีแล้วไปแล้วไม่ได้เลยนะแต่ป่วยอย่างนี้ก็มีนะแต่เราเลื่อนไปดูอะไรจริงๆแค่ดูดีไปไม่น่าเป็นอะไรก็เลยใชใช่แต่ที่นดูไปก็คุ้นานนะ อย่าว่านจะลงมาต้องใช้กระดังเป็นมาตราส่นแล้วตเตรียมตาลิดียาลนิดเดียวเท่านั้นเพราะงั้นไม่ไหวไม่รอดผมไม้ว่ามีแไวแล้วก็ทากมาน่ามา่ากเปิ่อะไนะไม่ใช่ไม่ใชไม่แต่ไม่จับใหญ่ไปที่ เรื่อาของเรามันารงกหมายถึงเปล่านคนทียไหนก็วยแล้ว่วยตลอดไม่รช่ไม่ป่เลยนะตอน่าเขานเดยเลยยาเยหายักมาที่ผมก็่นหน่านน้ี่ ถ้าตอไปถ้าที่เกี่นั้นรืออ่านได้ถ้าลาเลประเด็นพระุท้าที่จะรับสังข์หลวงได้ทานน้ืออ่านได้เลที่หที่หกที่เจ็ดเป็ที่เก่งเกี่ยวกัเรื่อหลวงพ่อหลวงพ่อออกคุณสบัตอ่านแล้วหนูกระหามมากหลวงพ่อเล่าว่า ตอนที่ทันอาหารที่ริบาร์ควใจจะได้มีริบาร์สัปเรดาแต่หน้าจะได้ว่าหลวงไม่ได้พูดต่อไปว่าเวลาทานอามารที่ริบบาร์เาเยนรูที่จะู่ตรง ไอทายเปรตตนอาอัน่นเตไอจัมีความสุกมากไหอาเวดามีความสุกมากจ้ะอิ่เวลาแพงก็ไม่ขึ้นไม่เกิางไม่ดนแพแต่ข้าด้ยเนื้อมีข้าราถือเหลืองหม่ิ้งใหมๆนิดๆเือดอกไม้สวแบบนถ้าอยากไปยินงไม่กลับไปยินดอกไม้ ก็่็เใลยันไม่ด้เขาเลยไดทุกเดืนใเพื่อนไรกส่เด5อนเต้น่าไหร่กันในรถแต่แต่เวลาที่นก็ผ่ามาแล้วก็จะก็เต้นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่ ยืนรอวะรอเขาวะยังใครจะไปจมใช่ไปดองวะยังจะพักอีกยังไม่เหนื่อยต้องต่อ่อให้เออเออไปตุย้ยออ้โหแ่นแ่ต้อที่มอง่ล พอจบเลว่ามีแค่มีแค่ข่าวกอะกไมก็ได้ใช่ไหมเองนะแต่ก็ใจมันก็ให้มากก็อื่ะให้น้อยก็อื่มใส่น้อยใส่ก็คือใส่ก็คือก็อื่นก็คือใส่ต้องข้าวบ่าก็คือหมดอิ่มแค่ดีตลอดเลยแค่ดตลอดแค่่ายนะ บางครั้ไม่ใช่แรงส่ไม่ก็ด็นมาแล้วทำการแซ็เพิ้มเพิ่มขึ้นมาใส่เนี่ยบางทีกาสองคนสองคนบางครั้งละสิบคนก็ไเป็นมากมากเป็นข้าวก็มากแที่เกินแ้กินไปแบบก็ดีเองตองติดแผลติดก็ได้ต่เาาม่่งเรก็ไม่ดก็ได้ที่เรามิ้ทเไม่ตกได้ เพอาไม่ได้เว็นกันนะเายมไม่อะไร้าพวกโอวูที่เขาถากอไห่นอ่ยถ่าเข้าไปแล้วเราขาดไปหลางแล้วเราก็ระลจากสึงถ้าอาณาเตอนี่เปที่กล่าวไว้ว่าสมัยก่อนเคยไปเรื่องกันแรกให้เทวดาฟังดอาลูกพ่อในเทเกี่ยกเลื่องธรรมถ้าพระพุทธสงสยว่าวามีเรียน ก็ข้อเลขฐานห้าคือเทวดาท่านจะเอาขัที่หนนของคันรู้เวาทงเดนเขาจะเป็นอเทดาแล้วม่เป็นฐานห้าไม่เป็นานสี่เขาอยู่กระจายเป็นพุทธแต่พุทธมาละตายใช่มแต่แล้วถ้าเป็นฐานห้ามันมีกระใหญ่มาเต็มเลยมั้ฐน้ามันเป็นพุทถ้าเทวดาจาได้บางองาก็ใหญ่จะประมา เราองไม่อยาดลงมาใช่ไหมแต่ที่เพื่อประชาชไม่ใเรื่องขเพื่อนหรอกพระพุทเจ้าจะมีอยู่ข้างหลังเดินใจให้เพื่อที่เพื่อใจเราไม่สายองเลยใช่ขาดปวดเใหม่เลยใช่ขนาดเใหม่เพื่อทางน้าเลยใช่โอ้โหทน่ยปวดเลยอ้โหนขว่าขนาดนี้ครับขนาดนอ้ขนาดที่ซึมไม่ได้เหมือน่านนึกว่าจะเพื่อะไรก็ไม่เคยเพื่อ เออไม่ให้ไปเจ้าไปยืนาหลัยกว่าแต่ารมณ์ไไว่าแตามเรื่องในในสถานที่เด็เวลาที่ปนนไม่รู้เท่าไหร่เนียขึ้นไปบ่ายสมงเองมาตีสองต้อแีลวอู้เดีนวเดียเดียวเดียวเวลาที่พูดเนี่ยมีการที่พดแบบเดียวเดียว ถ้าเวลาสบายถ้าม ok. an ันมีเวลาตื่นอะไรเหมือนแบบนี้ใครอะสิ่งใดก็มันมีเวลาจะฆ่าก็ได้สิ่งใดุกเห็นไหมก็ไม่หุนไทยเลยที่ก็มีเวลาเหมือนเข้ามาดินเตรมเครื่องเพราะว่าไม่สบายก็ถ้าใครเคยถดิเหมือนเข้าใจที่อะไรเพื่อาอโดยกบายปั๊บกถือเดนออกมาคุณอเมร้กาจะมีไหม ยัดเลยแบบเทมาลายตัเราไม่ใช <c ười> ่ไม่เคยดื่มอะเลยนะแค่กินใจกินใจแค่ผ้าเสียก็เพือเลยมาแล้วล่อเติมยาดเลยแบบเทมาลายยัดได้แต่เป็นแบมากิเวาที่แบบเนเลยไม่ไ้กับแบบแค่กอลงจารถ ไมมาได้ค่าหมือนเมนเอนท่านหรือนะมันแค่ธรรมที่เพิเพิ่มบงเพริเป็นยาเ่นยาฆาเพมรือหรือจริงจริแต่วามจเป็น้วมันั่้วมันเลิกใจเยอะยังไงล้ลิกใจเยอไปยังไงไม่ถึงเรื่องใจเหมือนท่าเลยบอกว่าใจมันมีคิดมันดิใจพูดตอนี้มันถ้าเรามันดำมือด ก็นวรู้ื่อก็จะรู้เรื่องมาก่นใจความที่เที่จะไม่เคยรู้มาก่อนเราจาคำเที่วมันไม่ใช่โดยเอาคำสารถ้าแกดูในขณะที่มานก็จะทำารำ้าฟังความุเพลิดเพารเล่นุจแจบมือกุญแจเามัต้องมกาเอาเข้ามาแล้วก็ไปาอแต่แต่เขาบอกว่าเขาเขาดีกว่านนี เขาอิกอยู่ด้วยออะไรรายละแตขึ้นคูงเดียวเขาอิเดียวเนี้นี่เงิขึ้นม่ไครับจบแล้วนี่เงินลงได้ครับถ้าที่หลังมาล้วก็ไม่ต้องจังโแบบนี้นะ้หายไ้หมแต่ายมาดันง ท uh, oh, yeah. ี่เอาแล้วก็เอาไปแล้วไปแล้วย่ยไม่ว่าใรเวลาเวลา่เป็นอรมน่เปเพศหอังาราชารตามาการนั้งหดขอา้าา like. ah, ักจะายก เวล่าั้นสออารนบริโภคอาหารเะเกิเกดมจะเจริญสมรราให้พต้องเก่งกวลกตั้งิตสานให้จะทำในลักษณะอย่างนี้การจะทำอย่างนี้จะเป็นคุณสมเป็นผลให้ลกมีโอกาสไเกิดเมล็ดพันได้หรือเปล่าเพื่อไม่เกิดมล็พันใช่ ไปเลยแหมไปก็ไม่ดีก็ไปอะไรไม่ได้ไหนที่ให้เก็บไว้ให้เก็บไว้ให้เก็บไว้แค่เวันคือมีกี่วันสามวันได้เกิดี่ปีอะไรไม่เกิตัวและมาเร็เร็ วันที่ที่ที่นั้นมามาทอมาลงดิสก์กันนั้เยอะผมก็จะูเยอะรน้อยแต่าเอาอกงเล่อทีทธีเขาเล่าอ๋อใช่ึ เด็กตมย็กตามอีกเด็กตามากตามมอีกตามมาอีกตา้ไาอีกตาอีกามมีกตามาอกามมาอกตามมาอีกตาาอกตาีตมีตามกตกามมีกอีกตามมาามมาอีอากตอกตาาอีกตอีาอกตามตาาอีกตอกตามมาอีกตามมาออีกตีตอกตามอีกตามมอีกตาาอามมาามาตาอีตาอีกตา ผมคิดอย่างนี aan, broken, so ้จะบูกหรือป so ่าครับอาหากแค่จะเป็นการตลอดก็ผมจะไปที่วัดพระสุนเพราะปีนี้ได้สารภาพว่ามีทองแต่เป็นการที่จะเป็นตลอดเพราะที่วัดนนี่ไม่พลาดก็จะมีระเบียบการอย่างไรกถ้าดูถ้าอะไรจตอะไรจะต้องเตียแบ่ใส่รูปขอเยียนถาหงพอพเตรียมตัว่วงหน้าก่อย่านไหนย่ยที่งที่สอสมีหลายมีหลายอย่าง ถ้าคนเขาไม่ถามมันก็ไม่เป็นอะไรไปเลยถ้าผ่านมันเสีถาผ่านมั่อนผ่านเลยตอนนี้ถึงได้ใจก็เลยเพื่อแต่ลเจเกิดคนมก็ไม่จไหนบ้าบาทท่านมัก็แสไม่ไงนั้นจะสบายพระว่าทก็ได้อะไรก็ได้ตามใจชอบไม่มีการบังคับเลยแต่ว่าต้องกิมาทานสินลจะได้ลองทานสินาที ไมด้เลยไม่้เป็นอ right. so, so ันว่าครที่วัดภาดีกว่าคีดได้แต่ห้าบาทไปหาเจ้าความโดยน้ำมือเจดร้อยนะ่เด็กจ่ายเลยดูดีกว่าภาพนี่ก็บอกว่ามาถ้าหลวอถลบจากสูงแต่ว่าเมื่อเดนที่แล้วเยอะและพี่ของเพื่อนได้เดินทางมาคอสายตรง โดยรถแท็กซี่ที่มาก็เพื่อเพื่อาทธุระภสโรื่มก็แต่เ่นได้เห็นท่านแม่สีมาทีนี้ที่ได้สกัยก็คว่าท่านแม่ท่านแม่สีมาในลักษณะอย่างนี้ท่านมีความสงสุงเพราะลูกหรือมีความสงสจากไรแล้วถ้าหากว่าจะให้เห็นต่อไปทุกท่าง เพื่อการบวชตัวเองรถแท็กซี่เองอยาก็ถามว่าท่านแม่สีประสงค์อย่าง้รของท่านเ้จะไปถามให้เองนะถามแม่สีเลยว่าใ่ใจตเออท่านแม่ีแล้วนะโดยเรื่องนี้เราจะถามให้เองใจเสกเห็นทุกข์เขาไม่ได้เลยใจเสกเห็นทุกข์เขาได้แต่ไม่ต้องเห็น เออร c อยร้สองสี่ที่แม่รักเรื่องว่างใช่ใครไ n นที่แม่ขึ้องเอม่ขึ้นทงนี่ข้า่อนี่ต่องต่อรับน่อ้นระแม่ขึ้ทอง่อนน้ยันกไปันกไปชมลูกไปนิานม่รับรับกันัไม่ได้คิดมว่าเป็ดมเลยจ้ะ เ็่มัไมรู้อะไรเดกมันไม่รู้อะไรอะไรบ้าหลวพ่อออแล้วนะ่อไปว่าสารพัดหลวงพ่อรับจากศูนย์กภูคาหลวงพ่อมาสบ่าปีแล้วภคาหมายต้อมากศูนะใช่สิบก่ปีมีเก่งมกเยมาภรมะหิติจิสลง ตั ada, nói, Gift, úa, ân, ้แต่คนยังเน้อยจทั่คนมากตอนไหนนั้นนะครับน้อยจริงๆสามารถสุดเชือกตัวตัวมือก็สุดตัสดเขาผมว่าผมดีมากๆให้เป็นการแบบผมก็ไม่กล้ามือมืออย่ใประมาณเอ่อตัวที่จะรับควรจะรับคว่างนี้ตอนไหนั้นพี่เมดว่าผมก็เบวบางดาสายสายตอนนี้นะครับการเริ่มมาจัดสายการปะเดยจมา ผมพยายามตัดสิเด็ดให้หมดแต่ว b าเจ้ดื้อคนเลื่อเน่อยสดสิเดดด่อห่มันเอะยเยอะเต็ไม่ลครับผมโวิ่งวเยววิ่ว่งหมื่นไ่ก็าม่นไม่ออกกองเต็มหนึ่งหเดี๋ยวนี้ผมสบายใจครับหมดเงินไปองแบาทแล้วโอเอปเนัาน สองแสนบาทค้ยินเท่าไหร่ตลอดัไเคยได้ยินในหนังสือหรือรัยุค่อหราอรับใครบ้างว่าแต่เล็กตัวเดียวเนี่ยรับมีเทวดาสันติป่าหาจนผมก็ได้ผมจะกิดเองไม่รู้นะแล้วอยากจะศึกษาถามก็ว่า ผมจะเอาประดาโบราณเลยลงธบรมดาลงไหนที่ต่งระดับกันี่องนี้หลวงพ่อเรืองนิ้ไอ้หนึ่งเจอเลยเจอแล้มาถามแล้วจะถามท่านลงไหนประดับจะให้ได้ขอท่านอะไรกันนะต้อกินข้าวไม่กีจานหน่อยทมอามากเาที่กรุมุกเลยแเรื่องแรกหนึ่งหนึ่งไมู่เรื่องสองสองหมื่นเรื่องสามหกหมื่น อย่างเยนเื่อนขอถองนะนันคือนี่มจบมต้องแต่งตัวนะ่งัวสนะไอ้คนทีมาถามกแค่ตาาที่กรรไว้ลอกก็หลอกหลกปยๆไป็นไปไอมก็จะไ้รมาสตรเองกันแน่นนะจ๊ะหลวงพ่อจาลูกคุ้นใจหายปามันมีสิ่งของก็เข้าในตัวลูก ได้ไปทำวิธีออกออาไปปรุงบ้งสายถึงบ้างก็ราบว่ามันเกิดสงดแล้วแต่หลังจากไปทีก็โอนตายฉบับให้ลูกลูกคิดว่าให้ระวอกศึกษาขห้พ่อดีกว่าเพราะพ่อเปเลยเนี่าเลยพ่อกระจายดีพมีเมตตาพ่อรัก็ูกแต่ทีหนเราเป็นที่จ่กัน นายยองนะสายถูกป่ะูด้านถอาว่าสงสารหลวง่อว่าเราจะทำยางไงถึงจะไหนบัรดาพญากาของบรรดาครัว่งมุกโดยม่ติดติดต่อประักษ์่านนี้เะไปตนไปหาเขาดูเขาจะหายไม่ได้หมดไปเขาเลยขาดทำได้แล้วเดา๋ยวร็แล้วจะหาเขาดูจะหายหมดดีไปดีไปเป็นหมอก ใชีใช่ใช่แต่ศาสตร์สำคัญนะเออว่าเวลาเขาเปล่าแดงก่อนแม้แต่คนตายก็ลอดูเป่าดีๆเนี่ยหรือว่านั่งร้องหน้าดูหน้าใจหายแอ่เราเนี่ยวะนไหนมันจะออกต้องไม่ถูกแต่ไม่ได้ถูกเธอร้องไม่บอกว่าเจเขาไปเธอเขาก็เลยใจ็ไปเอ๊ะทำไมคุณพี่วาอ ที่เรื่องนี้ออกมาแ t ้วก็พอเรื่องที่ทายาทมันชี้ไที่ใจที่ขาดเลยนะดีนะเพราะที่เราถึงไม่ถ่ายกอยู่แล้วที่เป็นใค่องนี้เราบอกอไม่ใช่เออวันที่วันที่่่เรนอะไรนไงเ้าเป็นนั่ายสิห์่นั้นเกิดเยากเลยถ้าเพยู่ได้ใช่ใ โอ้ก็อยนเขาไปานาั้นเลยทาทีที่ี่อส่ียวเลพเป็นขาดก็ไปอยเลยคอย้วก็คุพ่อเป็าเราหนก็เลยเด็กราไม่้ไนให้เราจำตแต่าคนนะ เอาไเลยคี่เขาเอาไปใหญ่เด the right ี๋ยวจะเอาไปขายงคีเอาไขาข้าวดีกว่าะาว่าไปไปขาข้าวคุพี่คิดว่าไปดูแต่ละข้าวดีราคาพันดัที่บอกประมาณคือสามเมกะคือคบนะไปไปไปไปไปไปเลยนม่ไอยากพูดอะไรมากมา มีสามคนอย่ใรครอไปไปที <c jogo> <t> ่านานะเ่น้าแล้วตัวก็เลิศเลยอวานไป่นั้นโดยมีเด็กตุ้ตูงหลวงพ่อวาความีถึงั้งเดียระว่ากเ็กอกขอวยเต็่ั้นไม่ได้ไม่ด้ม่ได้ไม่ไ้ไม่ได้ไม่ได้ไ่าด้ไม่้ไม่ได้้ม่ไ้ไม่ได้ไไม่ได้ได้ไได้ม้่ได้ ก็ลงมาไหนรถตนะให้รถตเลยระมนได้ตกอว่าใครที่พู่สงสัย่อไปเขาวิสิานนะที่วะวัอยู่ที่แหวนผมบอกเปนสะพาเป็นหัวเท้าสะพาก็จีนสะพานโน้กับลำโพงนะปลาย่างแย่างไรแล้วท <c oughs> ีน like ี้ก็รถตู everyone uses, everyone uses, airplane, so ้ท th <c ười> you know, like ี airplane, ่บอว่าอะไรนะตู้จีนแทักเรียลี่มาเสียใจที่มกเราสาไปที่บอกไม่รู้จะไปแกล้งยังไงนะ เอามาแปะบคือที่สี่เพรออที่สี่ี่ักแสบ่ใช่อ่าเรามาแปะกับที่เราจะดูน้าใจหลวงพอว่าที่เราแปะนรอบหลวงพ่อจะแตเปล่าหลวงพ่อจะต้องให้รายใหให้แน่ให้ให้ดื้อให้ให้่ก็ตุ่งาทีได้นะแต่แต่้หลายภันนะ เจ้าพระยา